แต่หาท่านอาจารย์มั่นที่แรกท่านเทศนห้ฟังไม่เข้าใจแต่ก็ดีไม่เคยคิดตำหนิท่านมาตำหนิตัวเองนั่นเห็นไหมหว่าเคยฟังเทศแม้กระทั่งเทศสมเด็จก็เคยฟังเข้าใจมาเป็นลำดับลำดาแต่พอมาฟังเทศท่านอาจารย์มั่นไม่เข้าใจต่จว่าตัวงู้หรือตัวฉลาดว่างนั้นว่าตัวเอง อาจารย์มั่นปรากฏชื่อนามมานานแล้วทางด้านปฏิปัติมรดในทางจิตใจแต่เวลาท่านเทศให้ฟังเกี่ยวกับทางจิตใจจริงๆแล้วไม่เข้าใจนี่เห็นท่านแล้วยังความโงของตัวเองไว้เพราะส่วนมากท่านเทศสอนพระท่านจะเทศแตนด้านปฏิบัติล้วนๆเราไม่เข้าใจ นั่งฟังอย่างนั้นเพราะท่านพูดถึงเรื่องจิตเรื่องนั้นอนี้อย่างที่เราเน่รื่องจิตเรื่องขันเร่องอะไรแเราก็ไม่ใส่จนกระทั่งจิตสงบลงได้เริ่มเข้าใจจิตเริ่มสงบก็เริ่มเข้าใจจิตมีฐานแห่งสมาธิ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 เวลาถ้าอาธิบายธรรมะเป็ น, ปนตอนๆเป็นทับพักไปเรามีข้อความใจจุดใดอยู่พอท่านเทศฐานไปตรงนั้นเราก็ได้รับความเข้าใจทันทีทันทีแล้วค่อยเข้าใจไปเรื่อยๆอแต่ก่อนที่ได้อ่านในประวัติว่าครั้งประการพระพุทธเจ้าแสดงธรรมพุทธบริษัท์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจานวนมากมาย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 ท่านกําลังสงสัยธรรมะขั้นละเอียดที่จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระคันธากุฎีพอดีฝนตกก็เลยยืนอยู่ที่ใต้ถุนนั่นสังเกตดูน้ำที่ตกลงมาจากชายคาก็ามากระทบน้ำกับพื้นแล้วกเกิดตั้งเป็นตาต่อมเป็นฟองขึ้นมาตั้งคืน อ, อะไรนะมันก็ดับตา ก, กด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 คิดดีคิดชั่วมีความเขิดความดับเป็นคู่เคียงกันไปโดยลำดับลำดับเสร็จแล้วก็ลงกลายไปเป็นน้ํำของเก่าอันนี้เสร็จแล้วก็ลงไปที่จิตของเก่าท่านเลยบรรลุธรรมในสถานที่นั่นเสียพอบรรลุธรรมเสร็จแล้วฝนตกหยุดท่านก็กลับไปกุฏิไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะหมดข้อสงสัยแล้วนั่นทำความจริงเมื่อเข้าถึงจิต ดวงใดจิตดวงนั้นจะหายสงสัยทันทีแม้แต่จะไปทูลถามรพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ทูลถามเพราะหายสงสัยแล้วแม้จะไปทูลถามท่านท่านก็จะรับสั่งว่าอย่างที่เข้าใจนี้ก็เลยหมดปัญหากลับไปก็ดีนี่ต่เป็นตัวอย่างอันนผูปฏิบัติธรรมเมื่อก้าวเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วอยู่ที่ไหนก็ฟังธรรม อีทั้งนั้นมีอะไรมาสัมผัสเป็นธรรมทั้งหมดเพราะเป็นเครื่องเตือนสติให้เรารูร้ปัญญาก็วิ่งตามทันทีทันทีทนทโดยอตัตโนมัติพิจารณาอย่างรวดเร็วอะไรมากระทบรู้เท่าทันพิจารณาแย้ๆเป็นอัดเป็นธรรมไปทั้งสิ้นดังที่่าอาจารย์มั่นท่านข่าบเดียนพระมหาเทระดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติของท่านท่านอยู่คนเดียว เวลาเกิดข้อคุ้มใจขึ้นมาท่านปรึกษาปารถกกับใครท่านบอกท่านฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้หยุดด่อนเลยทันว่าพะมหาเถระบอกไม่กล้าจะค้านทันว่ายอย่างไงเพราะไม่เข้าใจหนึ่งประการที่สองท่านพูดออกมาจากความจริงก็ไม่กล้าจะค้านท่านได้อย่างไคงคําที่ว่าฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็คือสิ่งที่มาสัมผัส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 อบรมสมาธิเพื่อใจได้รับความสงบแล้วพิจารณาทางด้านปัญญามันจะตั้งหน้าทำหน้าที่ทำงานนั้นๆไปเพราะความไม่หิวโหยของจิตจิตที่มีความสงบมีภูมิฐานแห่งความสงบอยู่ภายในใจจะคิดอ่านใ่ตรองเรื่องอะไรอย่างนี้ย่อมไม่มีความหิวโหยวุ่นไปกับอารมณ์ต่างๆ ต, ต, ตั้งหน้าตั้งตาทํางานหรือพิจารณาอะไรก็จงใจพิจารณานั้นจริงๆแล้วเป็นอัดเป็นทำขึ้นมาเข้าใจเบืลําำดับลำดนบ อสมาธิปริไทริตาปัญญามหาพราโฮติมหานิร่างซาปัญญาที่สมาธิอบรมด้ดีย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากหรือย่อมคล่องแคล่วแก้วก้าไปได้อย่างรวดเร็ยวยิ่งกว่าจิตที่ไม่มีฐานแห่งความสงมบนั่นเลยเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจริงแยกกันไม่ออกผู้ปฏิบัติจริงต้องนามาใช้เสมอแม้แต่ผู้เป็นพระคีนาจบแล้วยังต้องใช้สมาธิ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 ผ่านพ้นไปโดยลำดับก็คือปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมหรือเป็นเครื่องขัดเกลาเป็นเครื่องแก้สิ่งที่ขัดข้องเวลาเช่นเราเดินทางไปนี้มีขวากมีงะมี้ําเราก็เอามีดหรือเอาอะไรฟันออกไปเดินไปเรื่อยฟันออกไปเรื่อยอะไรมาจีมาขวางก็ฟันเรื่อยเดินไปเรื่อยจิตดาเนินไปก็ต้องมีสติปัญญาเป็นเครื่องกำขับรักษา ขัดล่องที่ตรงไหนก็แก้ไปเรื่อยๆเลยๆเยๆก้าวไปเรื่อยๆเรียกว่าก้าวไปหรือว่าพ้นไปอยู่ภายในที่อันนี้เป็นสมมุติอันหนึงหน่งก า, การปฏิบัติต่อจิตใจการสอดรู้อาการของจิตที่แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับผู้ปฏิบัตินี่เรียกว่าเรียนตัวเองโดยเฉพาะ เรียนเรื่องของจิตให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาอาการของจิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะแยกแยะไปในทางใดถ้ามีเราได้ฝึกฝนอบรมสติเราจนมีกําลังแล้วเพียงจิตก็เพื่มเท่านั้นก็เป็นการปลุกสติในขณะนั้นพร้อมๆกันคือปลุกสติให้ตื่นคือให้รู้สึกในความคิดถูกนั้นๆ ปัญญาก็ตามตามให้ทันหรือตามทันทันทีพิจารณาเหตุผลในสิ่งที่ผิดคิดนั้นแล้วปล่อยวางเมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางทตนี้เรื่องไม่มีเพียงเรื่องเดียวมีหลายเรื่องด้วยกันคิดเนี่ยนี้แล้วก็ปรุงเนี้ยนั้นจิตสติปัญญาก็ตามต้อนกันเรื่อยๆสุดท้ายจิตก็เข้าใจเพราะการตามต้อนนั้นหมายถึงตามต้อนด้วยเหตุผลพอจิต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 ผลอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็มีวันหนึ่งจนได้ที่จะกล้าเข้อสู่ความสงบให้เห็นผลขึ้นมาพอเป็นเครื่องพยุงจิตใจเราหรือพอเป็นหลักฐานพยานให้เกิดความอุตสาหพยายามในการที่จะดำเนินให้ยิ่งขึ้นกว่านั้นต่อไปต่อจากนั้นก็มีความสงบเรื่อยๆจิตใจถ้ามีความสงบแล้วก็คือ่เย็นใจสบายเหมือนกับเรามีหลักมีแหล่ง มีที่ยึดที่หมายถ้าไม่มีความสงบเลยก็ไม่ทราบว่าที่ยึดที่หมายอยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่กลางทะเลเรือก็ค่อยแต่จะล่มจะจมอยู่แล้วด้วยพายุต่างๆไม่ทราบจะเกาะอะไรนี่แหละทําให้เกิดความว้าเวิหรือว่าบุญขุนมัวมากเพราะจิตหาหลักยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องความสงบจึงเป็นหลักยึดอันดีของจิตในขั้นเริ่มแรกฉันจึงสอนให้อบรมให้มีความสงบ เราไม่ต้องถือว่าทําบทใดต่ําทําบทใดสูงที่จะนํามากํากับดจิตนั่นขอให้เหมาะสมคือกับจิตของตนเท่านั้นเป็นที่ถูกต้องนํามากํากัดถ้าจิตชอบจะคิดออกในภายนอกบ่อยๆก็ให้เรื่องคบริกรรมให้ถี่ยิบเข้าไปสติดตามให้ทันและจิตก็มีโอกาสที่จะเลี่ยไร่เอกไปสู่ภายนอกได้แล้วพยายมเข้าสู่ความสงบ อันนะพอสงบแล้วก็ยินสบายมีหลักเกณฑ์มองไปไหนก็ไม่เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเหมือนอย่างตะ ก, ก่อนพอออกมาจากความสงบเล่งอีพิจนาอีจนมีความสงบแ น, แน่วแน่หรือแน่แน่นเขาเ้าไปโดยล้วเล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 ของการก้าวไปแห่งสิตหรือเป็นหลักสําคัญแห่งความรู้เป็นหินรับปัญญาอย่างยิ่งก็คือขันถ้าสติปัญญาและวไม่ทันที่เป็น่าตุติดต่อตนเองอย่างยิ่งก็คือขันฉะนั้นจึงต้องพิจรารณาขันขันมีติดแนบกับเราอยู่ตลอดเวลาส่อความพิรุธส่อความทุกข์กความลาบากลาบนความทรมานต่างๆดูกับ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 ในขันห้าท่านบอกว่าอยา่างนี้อันนี้จังทุกขังต า, ามันอันเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่จะแยกกันออกได้ทุกของอังใ น, นจังัต า, ามันอยู่ด้วยกันเหมือนข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายขวามคนคนหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นข้างซ้ายอันนั้นเป็นข้างขวาอออันนั้นเป็นข้างหน้า น, นี่เป็นข้างหลังก็คือคนคนเดียวกันเองอันนี้จังทุกขังต า, าก็คือสภาพอันเดียวกันนั่นถ้าเราจะไปแยกไปแยกไปตามอาการนั่งมากายกอง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 หเห็นตามความจริงของมันอย่าปีงเดี่ยวกับความจริงที่พระองค์สอนไว้โดยถูกต้องนี่เป็นกองไตรักษ์บอกให้แล้วอย่าอย่าเอื้อมอย่าไปยึดอย่าไปแบกแต่หามมันหนักให้ปล่อยตามความจริงของมันทุกครั้งจงอาตามีอยู่ทุกอาการของขันรูปกเป็นกองอันหนึ่งไตรักษเนี่ย เมทนาไตรลักษณ์สัญญาก็ไตรลักษณ์สังขารก็ไตรลักษณ์ยิญญาณก็ไตรลักษณ์เขาเป็นความจริงของเขาโดยสมบูรณ์อยู่แล้วตามความจริงทั้งตนเราอย่าไปยึดเราอย่าไปสําคัญอย่าไปปักปันเหตแดนเอาว่านั้นเป็นเรานี้เป็นของเราเราก็สาบายเนี่ยการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้ กิจให้รอบคอบต่อตนเองให้ฉลาดต่อตนเองทำให้ฉลาดก็ไปหลงเขาความหลงเขาจะตาหนิเขาอย่างไรไม่ถูกเพราะเราหลงเองต้องตาหนิเราผู้ผู้หลงเมื่อเรารู้แล้วมันก็หมดทางตาหนิอาการเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันฉลายตัวลงไปใครเอาไปได้กองลูกองเวทนาสัญญาต่างๆอย่างนี้ปล่อยตามสภาพของมัน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 ถือว่าเป็นของดีพุงดีอย่างยิ่งแล้วมีความรักความเจ้าวนไม่มีอะไรที่จะเท่าเทียบเท่าได้แล้วถือว่าอันนี้เลิศประเสริฐกว่าสิตได้ทั้งหมดบรรดาที่พิจารณามาบรรดาที่เคยเจอหรือเคยพบเคยเห็นมาไม่มีอันใดที่จะมีความสง่าผ่าเผยไม่มีอันใดที่จะมีความสว่างกระจ่างแจ้งเป็นสิ่งที่น่าประจานยิ่งกว่าจิตดวงนี้นี่แหลท่านยกวกับอวิชาแท้เป็นอย่างนี้ต้องทำให้หลง ถ้าไม่มีผู้เตือนะ ก, ก่อนยังไงก็ต้องหลงในจุดนี้แน่ๆมันนาทูปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าจุดนี้เป็นอย่างนี้อวิชชาเป็นเช่นนี้การพิจารณาจึงต้องอย่างลงในจิตเพียงอันเดียวนี้เท่านั้นเพราะสิ่งอื่นเข้าใจหมดสั้งขานปลุงขึ้นมาพับมันก็ดับก็ลงไปอยู่อวิชชานั่งเสียเพราะวิชาเป็นผู้บงการในเมื่ออวิชามีอยู่สังขารปลุงขึ้นก็ต้องเป็นเรื่องอวิชชา้าให้ปรุง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 การพิจารณาเขาไม่ถนัดกลัวความรู้นี่จะเสื่อมบ้างจะสลายไปบ้างจะสูญหายไปไหนมั่งกลัวจะล่มจมไปต่างๆนานามั่งไม่อยากแตะกล้องนั่นแหละคือกิเลสประเภหนึ่งหลอกเราอย่างอย่างสนิททีเดียวดะงนั้นเพื่อความถูกต้องตามการพิจารณาจริงๆจึงต้องถือเอาจุดแห่งความรู้ที่เด่นทักที่ว่าอัศจรรย์มากๆนั่นแหละ เป็นจุดที่พิจารณาคลี่คาลงจุดนั้นพิจารณาลงจุดนั้นเช่นเดียวกับสภาวธรรมกับเช่นเดียวกับเราพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายโดยไม่ถือว่านั้นสูงนี้ต่ำไม่ถือว่านั้นเป็นเรานี้เป็นของเราแม้แต่จิตคือความรู้รอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราจะพิจารณาให้เข้าใจจุดนี้นั่นยังต้องพิจารณาลงไปที่ตรงนั้นพอพิจารณาเข้าไปจุดนั้นแล้ว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 คือจุดจุดท้ายของการพิจารณาธรรมการปฏิบัติธรรมการรู้ธรรมการรู้ทุกข์ก็ดีรู้สมุทัยก็ดีก็รู้นี้เป็นจุดสุดท้ายการรู้ธรรมที่อยกปฏิัติธรรมอันสูงสุดก็รู้นี้เป็นขัานสุดท้ายจากนั้นไปต่อไปอีกไม่มีอะไรที่จะรู้ต่อไปอีและจะทําทให้หลงอะไรก็ไม่มีทางที่จะหลงต่อไปอีมันเป็นอกุปะหรือเป็นอัฏฐานะมันเป็นไปไม่ได้ต่อจากนี้ไปแล้ว พลงที่ท่านกล่าวว่านับปรังอิคตายาติประชานาติจะทําให้ยิ่งกว่านี้เปไปอีกก็ไม่มีเพราะได้รู้ชอบคุ้มถึงทุกอย่างแล้วืถ้าเราพูดในจุดนี้มันก็เหมือนกับว่าไม่กว้างขวางอะไรเลยการปฏิบัติศาสนาแต่ก่อนที่จะมาเป็นเช่นนี้มันก็เทียบกันกับข้าวในจานของเหล่านั้นแหละข้าวที่มันตกอยู่ในจานนี้มองอยู่ในจานก็เหมือนว่าแคบนิดเดียวเหมาะกับการรับทานเท่านั้นจะข้าวนี้มาจากไหนเราลองไล่ไปกิน โหนมาจากไรจากนาจากอะไรอะไรก่าที่จะทํามาเป็นเมล็ดข้าวให้สําเร็จขึ้นมาถึงการรับทานนี่มันยืดยาวอ่ทําเป็นปีหน่อยอมีการพิจารณาทำก็เริ่มมาตั้งแต่ล้มลุกคู่ครานทุชัดทุกโธธรรมโมสังโฆล้มแล้วล้ ม, ล ม, ล ม, ลมอีกอยู่นั่นแหละไม่รู้กี่เืบ ก, กี่ล้มกี่ลุกแหละพยายามเสื่อามทานมาโดยลําดับด้วยความอุตสาห์พยายามเรื่อยมา จนกระทั่งถึงจุดที่ว่าเนี่ยควรจากการรับฐานเรียว่ามันแคบอตอนต้นมันกว้างขนาดไหนมันหนักขนาดไหนหนักจนยกไม่ขึ้นถ้าว่ากว้างก็กว้างจนมองหาทางไปไม่เจ อ, อพอถึงขั้นแคบแล้วก็แคบอย่างนั้นพอแบคบขั้นแคบนี้หมดไปแล้ว ท, ที่นี่กว้างก็ไม่ว่าแคบก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าทั้งนั้นเพราะหมดสิ่งที่จะว่าจิดหมดโทษ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 ท่านกล่าวไว้ในธรรมว่านัติเพอโยวปาติโยไม่มียิ่งย่อนกว่ากันเลยแม้แต่นิดบรรดาพระอรหันตินาศทั้งหลายนับแต่วิชชาลงมาเสมอกันก็คือจุดนี้เนี่ยดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงในเรื่องนี้นิดคือว่าพระพุทธเจ้าท่านในครั้งพุทธกาลท่านเคารพกันอย่างไรปรากฏในนิมิตว่าบรรดา พ, พระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่หลังไหลมา พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาอะใครมาถึงก่อนนั่งเป็นลำดับลำดาตามผู้ที่มาถึงก่อนไม่ได้คำหนึงถึงเอาโสพันเตพระพุทธเจ้าเสด็จมาทีหลังก็ประทับอยู่โน้นออก็ยึดตกขึ้นมาอีกนี่เพราะเหตุารจึงต้องเป็นเช่นนี้ความเคาเรพของั้นพิธการเป็นอย่างนี้เลยก็รู้กันมา ท, าทันทีนี่คือวิสุทธิธรรมเสมอกันอย่างนี้ไม่ว่าใครมาก่อนมาหลังนั่งตามความก่อนมาหลังคือเป็นความเสมอภาค ไม่ว่าผู้นี้น้อยผู้นี้เป็นผู้ใหญ่ผู้นี้อาวุโสผู้นี้พันเตเพราะความหมาสุดเท่าเหมือนกันนะแยกตามสมมติเล่ากําหนดพอทางด้านสมมุติพลิกพุกเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี่แล้วบรรดาสาวกเรียงลาดับลำดาบนี่คือสมมุติในความเคารพในทางสมมุติเป็นอย่างนี้มีอาวโุโสพันเตอย่างนี้นี่นานท่านแยกทั้งนสมุติทั้งสมมุติให้เห็นอย่างชาัดเจน การเคารพกันก็ไม่มีใครที่จะเคารพนิ่มนวลยิ่งกว่าท่านผู้สิ่งชีวิตเคารพ ก, กันไม่เป็นพิธีดีกรองไม่เป็นอะไ ร, ะไรเๆเล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่ร่่่่่่รร่่่่่่่่่ค่่่่่่่่ร่่่า่่่่่่่่ร่รร่่่่่่า่่่่่จ่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่ง่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ต่่่่่น่่นออาา่่่่งคือ มันไม่เหมาะสมจึงมีรุ่นๆุ่นบันดาลทุ่งต่ำไม่สม่ำเสมอเหมือนกับความจริงที่เป็นออกมาจากความจริงมันนี่แสดงตรงต่านี้ยิกตเ็กะ